เรียกว่าทุกข์ทุกขหนีโรธเป็นไนาการละตัณหาเสียได้นี้เรียกว่าทุกขนีโรธทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาเป็นไนภิกษุในธรรมมิไหนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวั ต, ตทุข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงังจากกรม บรรลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์8ดคือสัมมาทิฐิถึงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นบรรดามักมีองค์แดนั้นสัมมาทิฐิเป็นไนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หล ง, งงมงายความเลือกเฟ้นธรรม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 อันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่สัมมาสมาธิสา ม, มาธิสามโภพธิชนอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมพยุด้วยทุกขนีโรธคามินีปฏิปทา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 สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมด น, น, น, นะ น, หหนี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์คณิโรธเป็นไนการละตัณหาและกิเลสที่เหลือนี้เรียกว่าทุกข์คณิโรธทุกขคณิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสมาทิฏฐิเป็นต้นสมาสมาธิก็เกิดขึ้นนีเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา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 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัง จ, จากรามบรุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองแปดคือสัมาทิฏฐิถึงสัมาสมาธิก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าทุกขณีโรทคามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขณีโรทคามินีปฏิปทาปัญจังคิกวานสองร้อ1สสัจจะสคือหนึ่งทุกหมายถึงทุกสองทุกขสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขณีโรหมายถึงความดับทุกข์ 4. ทุกขนีโรทคามินีปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก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 ละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือละกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนาออกจากวัตถุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้น